พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าพลังบาปแสงหน้าบุญวันนี้เป็นวันประหัสที่15้า ทันวาคมพุทธศักราช2559พวกเราเชาวจังหวัดอุดรได้รับทราบข่าวว่าหลวงปู่ใหญ่วัดโพพระอุดมยานโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ้าวาดวัดโพที่สมพรท่านได้มรณาภาพเมื่อวานนี้ ประมาณสองทุ่มวันที่ส4สวันที่ส4บสี่ธันวาห้าเก้าเวลาสองทุ่มพวกเราสังเกตดูนะถ้าหากว่าครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่เนะี่ยโดยมากท่านจะมรณะภาพนะจะเป็นวันพระนะให้สังเกตสังเกตดูว่าถือว่าวันพระนะเป็นวันสำคัญ แ ต, แต่ทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่จราวหลวงพ่อสังเกตดูเนี่ยท่านมาแน้ภาพเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ได้ทราบข่าวแต่หลวงพ่อเองที่ท่านลงไปคราวนี้ก็ประว่าทางเมืองทางโรงพยาบาลอุดรศักยภาพที่การดูแลรักษาก็คิดว่าจุลา เป็นหนึ่งเพราะเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ประทับอยู่ที่จุฬาก็แพทย์คณะแพทย์ครูบาอาจารย์กลุ่มเดียวกันนี่แหละดูแลรักษาเจ้าประคุณสมเด็จแต่นั้นก็มารักษาหลวงปู่ใหญ่ของบัดโพทิสมพรของเราอายุของท่านก็ร้อยหปีแล้วนะท่าหลวงพ่อถ้าเขารายงานไม่ผิดนะ อายุร้5ยหปีพันษาแปานะ 85, พันษาแสดงว่าท่านบวชก่อนหลวงพ่อมากโขทีเดียวหลวงพ่อก็เพียงอายุ72ท่านอายุท่านพันษาของท่านบวชพระ8ปพันษาเนี่ยแหละวันนี้หลวงพ่อเก่งเมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะออกไป คงจะไปช่วยๆกันดูแลตอนรับศพขององค์หลวงปู่คงจะมาถึงตอนบ่ายๆที่วัดโพธิสมพรวันว น, นี้หลวงพ่อคงจะได้ออกไปนั่นยไปช่วยๆกันดูเพราะหลวงปู่เป็นร่มโพร่มใสของ ชาวจงังหวัดอุดรทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายฆราวาส ด, ด้วยทำท่านทำขนูประการให้กับจังหวัดอุดรภาคทั้งภาคอีกต่างหากเพราะท่านเป็นเจ้าคณะภาคแล้วก็ท่านก็เป็นถ้าจะวาวาดไปแล้วก็เป็นสหายธรรมขององค์หลวงตามหาบัวสมัยท่านเมื่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มท่านเจ้าคุณวัดโพธิสมพรในท่านก็พูดถึงบ่อยมาก พูดถึงหลวงตามหาบัวแต่หลวงตามหาบัวท่านก็มีท่านจุคุณวัดโพธิสมพรต้องการอะไรที่ท่านจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือวัดโพธิสมพรมากทีเดียวถือเสมือนว่าวัดป่าบ้านตากกับวัดโพธิสมพรเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันไป้ายว่าเป็นญาติที่ทำกัน ทางวัดโพธิสมพรมีอะไรตรงตามหาบัวก็ไม่ได้นิ่งดูได้เพราะถือว่าเป็นวัดพ่อนะคือวัดเจ้าคุณธรรมจีดีเป็นพระอุปชาขององค์หลวงตามหาบัวที่วัดโพธิสมพรเพราะฉนั้นวัดโพธิสมพรมีอะไรมีก่อสร้างเรื่องอะไรหลวงตาท่านก็ช่วยสงครอะไม่ใช่น้อยเหมือนกันตั้งแต่ริเริ่มเมนนั่นแหะ เมนนี่ก่อนองหลวงตานะี่ยมหาบัวเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนเนี่ยที่เป็นปู่เป็นทวดของพวกเราที่ท่านได้จากไปพวกเราก็ในนะั้นะฐานะหลานเหลนควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปช่วยกันดูจุดไหนที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องจะไปมอบให้ผู้ใดใครผู้หนึ่ง กาไม่ถูกทางนั้นแหละเลือวใครจะมายึดว่าเป็นของผู้ใดก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะงานนี้มันงานช้างถ้าใครแบกช้างได้คนเดียวก็แสดงว่าเก่งมากแล้วเพราะนั้นต้องช่วยกันพวกเราพวกลูกพวกหลานคณะสิทธิานุสิทธิทั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่าพี่ใดสองน้องใดหนึ่งใครมองเห็นอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่งานสรีระของท่าน ที่ท่านได้จากไปก็ช่วยช่วยกันดูคนละมงคนละแนวความคิดแนวทางช่วยเหลืออย่างไรทั้งฝ่ายครวาสทั้งฝ่ายพระสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ท่านบวชมาแล้วก็มากตอมากที่เป็นท่านเพราะท่านเป็นพระ อ, อุปชาสมัยเมื่อท่านบวชแล้วก็อุปชาโยม ที่าสิกขาไปแล้วนะก็น่าจะนับเนื่องเหมือนกันเป็นอุปชาของท่านของโยมที่ในลาสิกขาอุปชากุบาอาจารย์ก็มีมากที่เป็นอุปชาพระอุปชาที่บวชยังอยู่แต่ที่มรณภาพไปแล้วก็มีมากอีกเหมือนกันนะ ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ใหญ่เพราะท่านมาบวชมานานท่านพอเป็นพระอุปชามานานพอเป็นอุปชาแล้วท่านก็บวชลูกศิษย์ลูกหาเดี๋ยวนี้กัเนี่ยห้าสิบกว่าพันสาหกสิบพันศานี่ยมีแล้วเพราะหลวงปู่บวชให้พระให้ลูกให้หลานก็เพิ่งมาหยุดไม่กี่ปีมานี้เองง หลวงพ่อเองก็ยังได้ไปร่วมในการบวชของท่านอยู่ที่บวชอะไรท่านพิพากษาบวชเพื่ อ, เ, อเป็นงาน เ, าเพื่อมุติตาสั ก, กระพระบัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงห้าทันวาคณะพิพากษ า, าได้บวชหลวงพ่อก็ได้ไปร่วมอยู่หลายหลายครั้ง หลวงพ่อเองก็ได้หาบริขารให้กับพวกกลุ่มที่จะบวชเองเพราะฉนั้นได้วัดของเราหลวงพ่อเองก็ได้ถือเสมือนว่าเป็นปู่เป็นทวดเข้าไปกราบท่านกับท่านก็รู้จักมักคุ้นแต่พอมาช่วงหลังๆในท่านอายุมากแล้วเราก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวเท่าไหร่เพราะว่าเข้าไปก็กลัวจะเอาติดวัดหรือเอาอะไรเข้าไปมีแต่ ถามไทยกับคารวะภายนอกถึงเราจะเข้าไปก็ช่วยท่านไม่ได้มีแต่ไปมองหน้าท่านก็หัวเราะแหอ่มีแต่หลวงปู่จาผมได้ไหมครับหลวงปู่มีแต่ถามคํานั้นเทเองเอท่านก็จําได้มากไม่ได้บงังเพราะท่านอายุมากแล้วอพอถึงจุดนั้น่ะเราก็ไม่ควรจะอ่ารบกวนท่านให้ผู้ที่อุปถัมภะถากดูแลแต่ถึงยังไงถ้าเราห่างเหินเกินไป ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนั่นแหละต้องถามไทยว่าเป็นยังไงหลวงปู่สุขภาพอันนี้ก็ถือว่าศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดท่านาส่วนหนึ่งแต่เราก็ยังห่างๆอยู่ เ, เหมือนไม่เหมือนองค์หลวงตาถ้าเป็นหลวงตาลูงปู่ล่าอันนั้นคือฐานะพ่อเหมือนกับคนในครอบครัวพ่อของเรา อันนั้นเราจะต้องถือเสมือนอีกอย่างหนึง่งเข้าใกล้ชิดอีกอย่างหนงึถ้าหากท่านผู้อื่นที่ห่างไป เ, เราจะเข้าไปทําอย่างเหมือนกับวัดพ่อของเราก็ไม่ได้เดี๋ยวคนตุกสิทธิ์ลูกหาจัตวาญาติโยมผู้อยู่ใกล้ชิดเนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหมันไส้แล้วก็ใม่เอาอีกเหมือนเหมือนกันนะ่ะอไม่รู้จักสถานะของตนเองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ละ่ะเราก็ต้องได้คิดอย่างเหมือนกันนะ ที่จะเข้าไปไปกราบไปไหว้ไปสัมมาไปกราบเขารบคารวะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็ต้องได้ดู ด, ดูเว้นเสียแต่ว่าเออมีอะไรขาดตกบกพร่องไหมที่จะให้ช่วยเหลืออันนั้นเราก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเป็นหน้าที่เพราะว่าเป็นปู่เป็นทวดของ พวกเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าท่านกับองค์หลวงตาคระค่ะก็เป็นผู้ญาติผู้ใหญ่ไปมาหาสู่กันเป็นญาติผู้ใหญ่าหาญหญที่ให้ความรักเมตตากันทั้งสององค์ท่านพวกเราในฐานะลูกหลานก็มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเข้าไปช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขช่วยกัน ทำให้ดีในสิ่งที่ขาดตกปกพ่องนั้นอันนี้ก็คือหน้าที่พระลูกพระหลานทั้งหลายแต่ทัึงยังไงก็ตามให้พวกเราพวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมขนาดหลวงปู่ท่านมีกิจศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังถึงขนาดนี้อายุของท่านมากถึงขนาดนั้นท่านก็ไม่ไม่วที่จะ ทิ้งถาดทิ้งขันของท่านแล้วพวกเราเป็นใครพวกเราจะไม่ทิ้งอย่างนั้นใช่ไหอก็ไม่น่าจะคิดไม่น่าจะถูกถ้าเราคิดอย่างนั้นแปลว่าเราคิดเราคิดผิดจะแล้วถ้าคิดถูกอีกวันไหนล่ะวันเราเป็นวันของเราที่จะจ้องจําจากจากใจจากอจากไปจากถาดขันอันนี้ เรามีคุณงามความดีเพียงพอหรื อ, อยังต้องถามไปจุดนั้นเอกไม่ใไ่ว่าทุกคนถึงจุดจบคิดได้แต่เพียงแค่ว่าถึงจุดจบเท่านั้นยังไม่พอเพราะหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าตายแล้วไม่สูญแต่เราต้องศึกษาจุดนั้นเอกที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่าตายแล้วไม่ใช่ว่าตายแต่ร่างกายนะ ใจคือตัวนามะธรรมตัวผู้รู้ๆน่ะจะต้องออกจากร่างกายตัวผู้รู้นั่นะตัวนั้นสำคัญม า, มากกว่าในหลักของพุทธะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นพระกรรมฐานที่มาภาวนาท่านมาเล่งมาดูนั่นแหละที่ว่ามโนปุพังคือใจตัวนั้นไม่ศู์ ต, ตัวนั้นสาคัญสาคัญกว่าร่างกายแต่ร่างกายนี่ไม่สาคัญหรอกทุกคนก็ต้องถึงจุดจบแต่ตัวนั้นน่ะถ้าถ้าว่าตัวนั้นเป็นบาปมีบาปอากุศลมากบาปอากุศลจะพาไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์ดุริชานเพราะบาปพาไปแต่ถ้าว่าบุญพาไปมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ อบ่าใบเสียจริตหูหนวกตาบอดอันนั้นเป็ียบว่าบาปบาป พ, พามาเกิดเป็นมนุษย์เพียงจะได้เป็นมนุษย์เท่านั้นเองแต่ว่าไม่สมบูรณ์อันนั้นบาป พ, พามาเกิดยังเศษบากราเศษบาปเศษกรรมพามาเกิดถ้าว่าบุญพามาเกิดแล้วเราจะต้องเป็นผู้มีอวัยวะสมบูรณ์จติปัญญา เกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิเอก เ, เกิดขึ้นมาแล้วก็อนอะ่ะมีสติปัญญาได้เรียนไม่ได้ตกขาดตกปกพ้องในการเป็นอยู่อันนั้นบบบุญพามาเกิดออกจากนั้นพ อ, อใหญ่ขึ้นมากัอนน่ะได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้บวชในพุทธศาสนาได้ประกอบคุณงามควาดีได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อเติมไปอีกอันนี้บุญพามาเกิด ถามว่าได้มากกว่านั้นเอาเถอะมาเกิดเป็นมนุษย์มันเหนื่อยไปสวยผลบุญที่ข้าพรเจ้าได้ทำได้สร้างเอาไว้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็มีหลายขั้นอีกเทวดามีหลายระดับภูมิลุกขะภูมิเทวดาก็เกิดในภูมิภูเขาถ้ำหรือว่าที่เนินที่ดิน เป็นที่อยู่ของเทวดาภูมิเทวดาลุกขะเทวดาอยู่ต้นไม้อาศัยต้นไม้อากาศธาตุเทวดาอยู่ในอากาศเทวดาก็มีหลายระดับอีกเหมือนกันนะจากนั้นก็เป็นชั้นจาตูมเป็นขึ้นเป็นชั้นน่ะชั้นจาตูมชั้นยามาตุจิตาเจาวติงนิมมาลัตตีปรินีปสาวตีสวรรค์หกชั้นนี่แหละ ได้เกิดขึ้นไปมากกว่านั้นคืนปปถ้าเราภาวนานทําจิตใจให้สงบจิตใจเป็นฌานเกิดยานาตน์เกิดญาณาัศนะเกิดฌานจิตใจสงบอ อ, ออกจากปายตายจากมนุษย์อย่างพวกรือสีชีภยัยหรือเป็นนักพจนักบวชอย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่มาภาวนาถือจินอภรมมจริยายภาวนาเนี่ยมีโอกาสถ้าว่าเราภาวนา ไม่ปล่อยป่าล่เลยไม่สนใจจิตใจไปข้างนอกมีโอกาสที่จะไปเป็นพรหมได้ถ้าว่าไม่พ้นทุกนะไม่พ้นทุกนะแต่ว่าเป็นครวาสญาติโยมบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยอันนี้เข้าไปสู่สวรรค์โอกาสไปสู่สวรรค์ได้แต่ผู้ภาวนาเนี่ยเป็นมีโอกาสที่จะเข้าไปสู่พรหมได้แต่ว่าถึงเป็นครวาสญาติโยมก็เถอะแต่เป็นผู้ภาวนา ก็เข้าสู่พรมไรอีกเหมือนกัน เ, เพราะนั้นเรื่อง เ, อเรื่องวิญญาณตัวนี้นะเรื่องใจตรงนี้แหละควรจะใส่ใจให้ความใส่ใจอ า, อาหารของอถ้าเป็นเปรตถ้าเป็นตกนรกนะมีแต่ไฟไหม้อยู่ในหลุมนรกเล่าร้อนอถ้าเกิดเป็นเปรตก็หิวโหวย แปลว่าบาปกรรมพาไปไม่มีอานิสงส์แต่จากนั้นไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานก็มีหลายประเภทอาหารช้างมีแต่ยาอาหารวัวควายอาหารเสืออาหารหมีอาหารงูแต่ละประเภทนะมันก็กินอร่อยอร่อยของมันแต่เราเห็นแล้วแต่ช้างกินยานมันม้วนเข้าไปโอ้โหมันดูดูแล้วมันไม่น่ากินเลยเ แต่เราพูดเราเห็นนะไปเห็นงูกินกบกินเขียดกินหนูเหมือนกันเราเห็นแล้วก็ขยะขแข็งแต่มันก็อริดอร่อยของมันนะมนุษย์เหมือนกันที่เราทานอาหารทุกวันนี้เอเราก็ว่าอริดอร่อยสุขอนามัยถูกต้องแต่พวกเทวดาเห็นที่เขาละเอียดกว่านเขาเห็นโอ้โหมนุษย์เนี่ยกินหยาบเหลือเกินหน่าขยะขยงฮข เหมือนกับเราเห็นแมวกินหนูเห็นงูกินกบกินเขียดลักษณะอย่างนั้นละเน่ยนะมันพบภูมิมันมันสูงต่าง ก, กันไปเรื่อยๆเนี่ยจากนี้กออพวกเทวดาเห็นมนุษย์กยเนี่ยแหละ ข, ะขยะแขยงเหมือนกันนะแต่ว่าเทวดาแต่และชั้นนี่ก็มองกันอีกมันเป็นชั้นเหมือนกับคนมั่งมีสีสุขร่ำรวยกินอย่าง โต๊ะจีนอะไรอาหารจมบูร์แต่เห็นคนขอทานกินไม่รู้คุกขี้ดินมั่งเอาใส่ในพื้นดินมัถูกขี้ตรงขี้โคนบังขี้ฝุ่นมั่ ง, งกินไปอ อ, อันนี้ก็คือเทวดาแต่ละชั้นต่างกันอกีกเหมือนกับเราเห็นมนุษย์ของเราแยกกันมันแยกกันโดยในแยกกันด้วยการเป็นอยู่แยกกันด้วยชาติชั้นด้วยวันณนะ ด้วยความทุกข์ความจนเน่นะมันแยกกันเทวดากับลักษณะอย่างนั้นนะจนไปถึงพรหมอาหารของพรหมเทวดานี่ต้องนึกกินนะนึกทานอาหารนึกจะก่อนยังค่อยได้กินแต่พรหมเนี่ยเสวยวิเสวยความสุขปีติคือความอิ่มใจปีติสุขเอกะกะตาคือความวางคือวางวางเฉย คล้ายๆว่าจิตใจนิ่งจิตใจวางเป็นความสุขเป็นเครื่องอยู่ของพรหมนวญาณรัตนะอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของแต่ละภพภูมิมันแตกแตกแตกต่างกันอย่างนั้นนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าตกนรกเป็นยังไงทุกเป็นเปรตเป็นยังไงสัตว์ที่ไรฉานแต่ละเพศประเภทเป็นยังไงมนุษย์เป็นยังไงเทวดาเป็นยังไงแต่ละภพภูมินี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ แต่พร้อมกันแทเลยถึงจะตกสูงขนาดขึ้นไปถึงเป็นพรหมก็เถอะนะถึงจะเป็นพรหมก็เถอะเวลาออกมาจากพรหมั้งหมดบุญบุญอเนสงการภาวนาส่งถึงพรหมแล้วกลับลงมาเนี่ยมาเกิดเป็นหมู่ก็มีอีกเหมือนกันนะ้เนี่ในมเพราะนั้นท่านจึงว่าการเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารสูงสูง ต, ต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอน เออมันไม่ใช่ว่าเสมอสูงขึ้นไปแล้วสูงไปเลยไม่ได้นะรกรรมบาปกรรมมันมีอยู่พร้อมที่จะตกลงมาเป็นหมูเป็นหมูได้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงพระราชคือวัดป่าเวทุกวันวัดแรกของพระพุทธเจ้า ท, ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายนะตอนเช้าท่านไปบินธบาตกับพระอานต์ พระอนุเป็นปิดปัจฉาสมณะเดินตามหลังร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไปถึงที่เลยพระอนุนก็ถวายบาตรท่านถ้าว่าไม่ไม่ยังไม่มีใครรับนะพระอนุก็อุ้มบาตรสองลูกนะลูกของตนเองลูกหนึ่งพระอนุนบาตรของพระพุทธเจ้าได้ลูกหนึ่งเพราะนั้นท่านเติรนจึงเดินตามหลังเอาพระพุทธเจ้าว่าปัจฉาสมณะ แต่ที่ท่านเดินไปในทางพระพุทธองค์ไปเห็นหมูหมูตัวหนึ่งหมูตัวเมียนะมันหากินอยู่ข้างถนนมันก็คุยเกียรหากินอาหารตามปกติของหมูนั่นแหละพระพุทธเจ้าเห็นพระองค์ยิ้มย้มแย้มพระโอษฐ์พอแย้มพระโอษฐ์พระนนก็การที่จะแย้มพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีเหตุไม่ใช่ว่าเหมือนพวกเรานาะพวกเราอยู่ หัวเราะอย่างไรเออเออาค่ะถ้าคนพูดถูกใจเผยเผยยังอยู่คนเดียวก็ยังหัวเราะอีก <c oughs> เป็นบ้าเป็นบอที่หลวงพ่อไปเห็นอยู่สีทัญญานขนาดอยู่คนเดียวยังหัวเราะเออเอเอเห <c oughs> ลวงพ่อก็แปลกใจอีกเหมือนกันเออบ้าน่ยมันสนุกของมันเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีเหตุซะก่อนท่านจึงแย้มพระอรูดนะเออไม่เหมือนปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสนะ เอออย่างไรก็เอกหัวเราะอย่างไรก็หัวเลาะนะพระองค์เห็นหมูเห็นหมูตัวนั้นคุยเขียหาอาหารพระองค์ยอมแย้มพระโอทพอแย้มพระโอทันพานนนคงมีเหตุนะพองด้วยเหตุอันไดหนอพระเจ้าข้าพระพระองค์จึงแย้มพระโออทที่ที่ที่แย้มพระโอทในวันนี้พระเจ้าข้าขณะนี้พระเจ้าข่าอาโนนเธอเห็นไม่หมูนะ โอ้ชีวิตของหมูตัวนี้ออ น, น่าดู น, าออน่าึกาน่าเรียนรู้น่าศึกษาลักษณะอย่างนั้นหละ เ, ออเป็นยังไงหนอพระเจ้าค่ะบุปกา ร, รของเขาสมัยก่อนเน่หมูตัวนี้เนะี่ยเคยเป็นแม่ไก่อยู่ในปา่าแล้วก็มีพระสงฆ์มีพระสงฆ์อยู่ในปา่าท่านสาธยายสาธยายธรรม อย่างสายทยายพระปฏิโมกษ์สายทยายธรรมาจักรกับวัตรนาจูตรสาธยายสติปัฏฐานสี่รือวก็สายทะยายมงคลและสูตรอย่างนี้แหละอยู่ในป่าพอพระสงฆ์ก็ต้องสาธยายนสาธยายสวดมนต์เต็มแม่ไก่มันก็หากินกับลูกของมันหากินมันก็ได้ยินเสียงพระสงฆ์สวดมนต์มันก็ดีใจใครฟังเพลินมีความสุขว่า ออพอมันได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมมันคงจะมีอุปนิสัยแต่นี่มันก็หากินค่อยความเพลินเข้ามานะี่เหี่ยวก็เลยชฉบลงมามาก็เลยจับแม่ไก่ไก่แม่ไก่ท่านนั้นก็เลยตายออพอตายอันนิสงได้ฟังธรรมที่พระสงฆ์ในสาธยายพระสงฆ์อยู่ในป่าสาธยายธรรมสาธยายมงคลลัทตรสาทยา ย, าา ย, า ย, า ย, ายอัดธรรมพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูก เป็นลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดินนะ่ะเนี่ยอันนี้ส่งขึ้นไปอย่างนั้นแล่วนะท่เอนี่พอไปเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเสร็จแล้วอวันหนึ่งลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินเขาไปในเข้าไปในห้องส่วมห้องทายนะเขาไปในฐานเขาไปอในห้องแต่สมัยก่อนมันมันไม่มีห้องนะห้องส่วมซึมอย่างนี้ใช่ไหม เขาคงจะพาดไม้กายสูงขึ้นไปแล้วก็ตายบันไดขึ้นไปแล้วก็ท่ายอุจจาระลงไปอพอท่ายลงไปไปเห็นพออุจจาระของตนเองนั่ะตกตบลงไปนอนมาอยู่ข้างล่างใชหมมั่งก็กินกุจจาระยัวเยะไปหมดทเออพอนางเห็นเท่านั้นน่ะ ม, มันอยู่ในร่างกายของเราก็เป็นอุจจาระพอมันหล่นลงไปหมดนอนกินยัวเยะไปโอ้ร่างกายของเราเนี่ย เป็นอสุภะปฏิกูลจริงๆพอเห็นพอพิจารณาอย่างนั้นเท่านั้นพิจารณาถึงร่างกายของตนเองว่าเป็นอสุภะปฏิกู ล, กลจิตใจรวมสงบ เ, เกิดรวมสงบเกิดเป็นญาณเกิดฌานเกิดญาณขึ้นมาญาณอรรถนะเกิดฌานความรู้จิตใจเป็นสมาธิอย่างแนบหนึ่ง จากนั้นนางก็ไม่ได้แต่งงานในชาตินั้นเพราะจิตใจเย็นสบายมีความสุขอยู่ในด้วยสมาธนะาิพอจากนั้นนางก็เลยตายจากนั้นจึอไปไปเกิดเป็นพรหมนะนี่แหละอันในสงภาวนาเลยให้เขา้าว่าจิตใจรวมสงบในขณะที่ที่เป็นที่เป็นนางกษัตริย์ลูกสาวกษัตริย์จิตนั้นตายจากนั้นทา่านก็คงจะยุ่งไ ม, ม่ยืนเท่าไหร่บ้างท่านก็ เ, เลยมรณะนะแล้วก็ท่านไปเกิดเป็นพรหม อยู่ชั้นพรมพอชั้นพรมลงมาจากชั้นพรมถนะึงบาปกรรมอกุศลที่เคยทําไว้อดีตชาติลงมาเกิดเป็นหมูมาไนงะนี่แหละ อ, อมาเกิดเป็นหมู อ, อพระองค์ก็เลยไปเห็นหมูตัวนี้นะเห็นโ อ, อ, อชีวิตมันทําไมผันผวนถึงขนาดนี้นงะพระองค์ก็เลยแย้มพระโอวดแย้มหัวยิ้มยิ้มให้พระอานนท์ได้เห็น พระนรได้กล่าวภูนเรื่องนี้นะแต่ในเรื่องนี้ยังยังไม่จบง่ายนะต่อมาปูนหลังๆนี่ท่านจึงบอกว่าหมูตัว น, นั้นอ่ะมาเกิดเป็นลูกไครต่อลูกใครผลในสุดท่านก็ได้สํเสดดาสเร็จเป็นพระโสดาจนสําเร็จเป็นพระทหารเหมือนกันนะค้งสุดท้ายแต่นี่เป็น เ, เป็นที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วน ะ, เ, ะนะเป็นอัธกถ า, าได้นํามาอธิบาย หลวงพ่อก็อนี่มิตรได้ฟังฟังนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าสรุปแล้วก็คือดวงวิญญาณหรือดวงใจของแต่และคนเนี่ยตายแล้วไม่ศู์ตายแล้วเกิดอีกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเราทำชั่วสิ่งที่มันชั่วก็เศ้าไปอยู่ในใจของเราถ้าเมื่อเราทำดีบุญกุศลสิ่งที่ดีบุญกุศลนั่นก็เข้าไปสู่ในจิตใจของเราอันไหนมากกว่ากัน อันไหนจะให้ผลแปลกแตกต่างกันอย่างหมูน่ะแต่ก่อนท่านทำกรรมชั่วแต่ท่านทำกรรมดีบุญกุศลพาไปไปเกิดเป็นพรหมแต่ลงถึงจะพ้นจากพรหมแล้วก็เถอะกรรมชั่วที่ท่านทำไว้ในอดีตชาติมันก็วิ่งเข้ามาอีกมาแทนนะพอหมดหมดพลังนะบุญหมดนะเหมือนกับคนทำนาทำไรทำนา พอทําเข้าไปไ ด, ได้ข้าวเยอะนะเออได้ข้าวเป็นหลายตันแล้วก็กินปีนั่งกีปีกินปีต่อปีปีต่อปีพน้นสุดขี้เกียจทํานาเพราะมีข้าวกินอยู่แล้วเนอะพอไปมาข้าวหมดเไอพอข้าวหมดแล้วจะทำยังไงเออไปเป็นขอทานเลยเถอนั่นแหละมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะมันข้าวหมดนี้ก็เหมือนกันบุญนมันหมดเป็นเหมือนกันนะ เพราะนั้นให้สั่งสมบุญกุศลติดต่อไปเรื่อ ย, อยบุญนั้นมันหมดเป็นเหมือนกับเราไม่ไม่ต่อเติมไม่ทําต่อมันก็หมดแต่ตเราทําขึ้นไปแล้วเนะี่ยมันเป็นพลรรังอีกเหมือนกันนะติดต่อนอนเนื่องไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าบุญมันหมดมันก็ไม่หมดหรอกมันก็หลบไปอีกแต่บาปจนในช่วงนี้ที่บาปมากกว่าบาปมันก็แซงเข้ามามาให้ผลามาแทน มาแทนให้ผลก่อนถ้าว่าบุญมีพลังบุญก็ผักบาปบาปก็เป็นไปอยู่อีกมุมหนึ่งเฮ้อไม่มีไม่มีอำนาจไม่มีกำลังแต่เมื่ อ, อ, อบุญมันหมดบุญมันอ่อนบาปตัวน้นก็ไปยองขึ้นมาอีกออมาแทนมาแทนบุญอีกนะมันต่างกล้มต่างวาระอย่างนั้นหละการบาปและบุญให้ผลผลนั้นพระพุทธองค์จึงบอกอ ไม่น่ามาเกิดควรจะชำระจิตใจให้บริรสุทธิ์ซะไม่ให้มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์แล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตการอนันเลิศประเสริฐกว่าถ้าว่ายังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยนะบาปกรรมเปลี่ยนกันให้ผลอยู่อย่างนี้แหล ะ, ะมีแต่ทุกข์โจษจนตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิด อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนถึงจะมีบุญหนักสักใหญ่เป็นเจ้าคุณปู่ก็เถอะอายุของท่านขนาดนั้นท่านก็ไม่ไว้ที่จะบมดอายุสังขารอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินในวันนี้แหละอันนั้นพอนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าจิตใจบุญจิตใจมีบุญมีกุศลแล้วลจิตบุญกุศลจะพาไป สู่ความสุขกายสุขใจในภพภูมิที่เราเกิดนั้ น, น, นถ้าเรามีบาปก็พาบาปพาไปเกิดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในเสนีน่า